พระธรรมเทศนาแผ่นที่51ดลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่5กรกฎาคม2556ันหาสณสำนักสงสวนแสงธรรมมีเชื่อเรื่องว่าให้รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่เราเป็นพุทธศาสนิกชน เราควรจะคารวะทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็คารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะพร้อมๆกันเลยนะพุทธะปาเดนาดาวรัตยาเนกตังดาบังอปาราทางคามคุโนผันเตธรรมะปาเดนาดาวารัตยาเยนากตัง ตับบางอัปปาราทางขมะกตุโนพันเตสรางเคปามาเดนาดาวาระตาเยนกตตังตับบางอัปปาราทางขมะกุโนผันเตมหาเทเรปามาเดนาดาวาระตาเยนกตตัง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 สาบบางอัปาราทางขะมาตุโนพันเตพวกเราทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลัง้งพ่อแม่ครูบ า, าอบาจารย์ด้วยกา ย, ด, ยาด้วยวาจาด้วยใจด้ว ย, วยข้ความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการ ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอพแม่ครูบาอาจารย์ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอพอแม่ครูบ า, าอาจารย์โปรดอโหสิสให้กับพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายจะสำรวมระวังต่อไป สัตว์หมู่พวกเพื่อนคณะสงฆ์และคณะสัตยาติโยมได้ทำวัดคารวะในช่วงเข้าพรรษาอันนี้คือถือเป็นประเพณีของครูบาอาจารย์ที่เคยปฏิบัติกันมาช่วงเข้าพรรษาจะมีการกราบคารวะขอโทษ ถ้าากว่าได้ประมาทพลาดพลัง้งครูบาอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความลูกเท่าไม่ถึงการได้ประมาทพลาดพลัง้งขาขอให้ครูบาอาจารย์โอโหสิให้ด้วยแต่ก็พร้อมกันอย่างหลงพ่อเนาาี่ยเหมือนกันได้ประมาทพลาดพลัง้งหมูพกเพื่อนครูบ า, า, า, าโอโ า, าจารย์คณะสัตธาญาติโยมด้วยกายวาจาใจกับพวกเราก็ให้อ้โหสิซึ่งกันและกัน ว่าการพูดการกระทําบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันพูดออกไปแล้วทำให้ทาให้ผู้ได้ยินได้ฟังไม่สบายใจในเมื่อไม่สบายใจมันก็เป็นไม่ค่ไม่เป็นผลดีในการพูดนั้นเพราะนั้นจิ่งไหนก็ตามทางว่าพวกเราได้ประมาทพลาดพัง ซึ่งกันและกันก็ขอให้ให้อโหสิให้ซึ่งกันและกันและเพราะว่าพวกเราเองก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครืองที่จะอยู่ในวัตฏสงสาร จ, จองกรรมจองเวรกันเออไม่ก็ไม่ถึงอย่างนั้นเพราะเราได้รับทำคําสอนของพ่อแม่ปรูบาอาจารย์ได้รับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าธนว่าการจองเวรไม่มีที่สิ้นสุดเราจะไปจองไปเพื่ออะไรให้อภัยกันไว้ดีที่สุด เพราะนั้นพวกเราได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนารับธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราจึงให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถึงจะถูถือโทษโกรธเคืองในขณะที่มีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแต่ผลทีดพวกเราต้องให้อภยัยเอออย่าให้อย่าถือโทษโกรธเคืองก็ให้จบๆกันไปต่างคนก็ต่างออมีบาปมีบุญ ดูด้วยการทุกคนกขอให้พวกเราเจริญในธรรมให้เจริญด้วยอายุวรนะสุขภาระปฏิพานธนสา ร, รสมบัติให้เจริญสุขและก็ให้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกๆท่านพวกเราได้กราบคารวะครูบาอาจารย์ก่อนเข้าพรรษาบางทีบางเรื่องเราก็รู้เท่าไม่ถึงการก็มี แต่ประมาทพาดพังไปไปแต่บางคนหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบใจของคนเราบางคนเหมือนกับหมาบ้านะีหมาบ้าไอ้ข้าว่าท่านก็ไม่ได้ทำอะไรกับเราเราก็ไม่รู้จักอะไรกับท่านพอเห็นคนนะมันเกิดประมาทพอแสดงความกรรับขึ้นมาพอจะแสดงความกรรบคท่นั้นแหะมันประมาทขึ้นมาแล้วในใจแต่มันกัดไปก่อนอันนี้เรียกว่าจิตประเภทหมาบ้ามันมีอยู่ ในพวกเราท่านทั้งหลายทั้งที่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราเจ็บอกเจ็บใจเราก็มองเห็นท่านก็ไม่มีอะไรที่ท่านจะทำผิดต่อหลักธรรมวินัยหรือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นท่านก็อยู่ตามลำพังของท่านแต่พอเราเห็นเกิดประมาทท่านแล้วนี่แหละจิตประเภทนี้จิตประเภทหมาบ้ามันเกิดมันมีได้ในพวกเราท่านทั้งหลายแต่ไม่เป็นผลดีเมื่อเรา อิทประเภทอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเราก็ควรจะน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านเอ้ยเรามีคุณงามความดีอะไรบ้างเราออกพูดออกมาซิเรามีอะไรดีแต่ท่านทําอะไรให้กับเราท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นพระสงฆ์ท่านเป็นผู้ทรงศีลแต่เราทําไมจึงประมาทท่านทําไมกิเลสของเราทําไมมันมากถึงขนาดนี้ ตัของแก่เตลุตของเรามีอะไรดีบ้างนะฮะให้ถามตัวเองคือให้ย้อนถามตัวเองทุกครั้งที่มันจิตแผลบออกไปอย่างนั้นอันนี้จิตจิตประเภทอย่างนี้มันเคยมีเรียกว่าจิตประเภทหมาบ้ามันชอบกัดดะไปหมดมันไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรหมาดีมันก็ยังมีสติว่าควรจะกัดใครใครมากั้มกายในบ้านที่ของมันรักษา อันนี้คือหมาดีมันจะกัดมันก็ยังมีเหตุมีผลนะแต่หมาบ้าเนะไม่เป็นอย่างนั้นมันเห็นอะไรมันกัดไปหมดกัดกระทั่งต้นไม้มันชนต้นไม้กัดต้นไม้อันนี้เจตประจิตประเภทอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเห็นใครมันประมาทไปเรื่อยเห็นคนเขาสร้างคุณงามความดีขึ้นมามันกัดตะไปหมดอันนี้เจตประเภทหมาบ้าบางคนเขาถามว่าจะแก้ไขยังไงครับหลวงพ่อพิธีแก้ไขก็ต้องมองหาตนเอง ข้ามีดีอะไรข้าได้ทําคุณงามความดีอะไรมีดีอะไรจึงจะไปประมาทคนอื่นเขาเอประมาทครูบาอาจารย์เขาแต่ตาแกนี่โง่ามากนะเอาวิ ช, ชาตัวนี้ตาแกนี่แย่มากนะจิตประเภทอย่างนี้นะดูนะอย่าให้เกิดอีกนะใจนะอตัวเองนะใ ห, ให้ย้อนกลับมาหาตัวเองถ้ถ้ามันเกิดขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็ขอมันเคยมี พอว่าหลวงพ่อจะอยู่ในสถานะอย่างนี้ลุกสิ์ลูกหาบางคู่บางคนก็เคยเล่าให้ฟังแต่บางคนก็ขี้อายไม่กล้าที่จะพูดให้ฟังแต่มีอยู่แต่บางคนก็มันอดไม่ได้จริงๆรทั้งที่ท่านก็ไม่ได้ประมาทท่านที่ก็ไม่ได้ท่านดุดาว่ากล่าวท่านก็ไม่ได้ทาความชั่วเสียหายอะไรแต่ทำไมเราจึงไปประมาทประมาทเอาประมาทเอ า, า, เอาน่ากลัวบาปจริงๆอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ละพวกเราจึงได้คารวะครูบาอาจารย์วั ย, ยวุฒิคุณวุฒิพวกเราได้ประมาทพลาดพังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความโง่เขารู้เท่าไม่ถึงการก็ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์โปรดอโหสิให้กับข้าไปเจ้าด้วยข้าไปเจ้าจะได้สำรวมระวังต่อไปอันนี้ก็คือการกล่าวคารวะก่อนเข้าพรรษาอันนี้เป็นประเพณีของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแต่สมัยก่อนหลวงพ่อเป็นเนนกับหลวงปู่ล่านะท่านก็จะพาไปคารวะหลวงปู่กงแก้วฝั่งหลวงปู่คบาบังในละแวกนั้นอ่อันนี้ก็คือไปคารวะครูบาอาจารยนะ์เทเรปรมาเดเ น, นลอาจาริเยปมาเทนะอา่าอย่างนี้แนะหละหรือมหาเทเรปรมาเทนะที่ท่านมีอายุพรรษามากแต่มาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาน หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดปา่าบดัดตรงตาไม่ให้ไปคาระวะแต่ตัวของท่านเองไปเป็นคาระวะแทนหมู่พกเพื่อนคือสมัยนั้นมหารถยากอีต่างหากท่านไม่ให้ไปแต่ต้นี้ท่านไปเองตรวงตาไปเองนี่แหละหลวงพ่อเป็นผู้จัดของคาระวะท่านบางทีก็จัดเป็น10บชดุดบางปีนะถ้าไม่พอจัดอีกมีผ้าอาบน้า และก็มีไม้สีฟอนเลขกเมีดอกไม้ในถุงจัดเป็นชุดๆไว้แต่วันนี้ท่านก็บอกเออเราจะไปคารวะหลวงปูข่ขาวนะหลวงปูข่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบเราจะไปทางนั้นนะทีนี้เราก็เตรียมไว้ท่านท่านบอกว่าท่านจะไป3มชดุดเราก็เตรียมไว้สักสี่ชุด แล้วก็กำชับโชเฟอร์เอาไว้เตือ5้าชุดเผื่อท่านจะไปในละแวกนั้นจะไปวัดไหนที่ท่านรู้จักมักคุนที่เป็นครูบาอาจารย์น่ยท่านก็ไปแต่โดยมากหลวงตามหาบัวท่านเวลาไปไปคารวะท่านจะไม่อาจาริเยประมาเทนะอย่างที่พวกเราพูดนะท่านไปเห็นนะท่านก็กราบลงปูขาวพอกราบเสร็จแล้วท่านก็ปนมือแล้วก็ยกของคารวะนี่ที่เราจัดถวายท่าน เป็นถุงไปในทะ่านกระจบจบแล้วก็อธิษฐานเอ่ท่านกคงจะอธิษฐานว่ากับผมเลยประมาทพลาดพังครูบาอาจารย์เขคงจะลักษณะอย่างนั้นแหละเราก็ไม่กล้าถามท่านแต่ตามไม่จริงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่านก็คงจะเอออันนี้ถือเป็นประเพณีทําเป็นประเพณีให้โลกทั้งหลายเขาเป็นตัวอย่างเนอกับผมไม่มีอะไรที่จะประมาทพลาดพังพ่อแม่ครูบาอาจารย์โลกทั้งหลายเขาถือกันว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยอยู่ด้วยกันต้องแสดงความเคารพคารวะ ตามโลกสมมติท่านอาจจะถืออย่างนั้นก็ได้แต่ท่านก็ยกสิ่งที่คารวะเป็นประเพณีก่อนเข้าพรรษาจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้รับอย่างหลวงปู่เขาท่านก็รับหลวงปู่ชอบหลวงปู่คาดีหลวงปูช่ชาม่าแถวจังหวัดเลยมีครูบาอาจารย์ที่มีอายุเหนือกว่าองค์หลวงตาจากนั้นทางมาแถบสกลคนครก็มาคารวะหลวงปู่ฟั่นอนี้ เรือองค์หลวงปู่พรมหลวงปู่พรมหลวงปู่ฟัน่นที่มีอายุเหนือกว่าท่านที่ท่านรักเคารพนับถือถ้งว่าท่านไม่รู้จักหรือว่าท่านไม่เคารพก็มีอยู่นะใครก็ว่าครูบาอาจารย์บางทีก็ความเห็นไม่ลงรอยกันอย่างนี้ท่านก็เฉยๆแต่ท่านองค์ไหนที่ท่านเคารพนับถือท่านก็เข้าไปคาระวะ อันนี้คือเป็นพระเพณีก่อนเข้าพรรษาหลวงตาก็เคยทําแต่ท่านไม่ได้พาลูกศิษย์ลูกหาหรือท่านไม่ได้กล่าวคําว่าอาจารยเยหรือมหาเถเรหรือเถเรีปรมาเทนะท่านหลวงตาท่านจะไม่พูดท่านจะประยยมนมมือแล้วก็จบของคาระวะบนศีรษะของท่านยกอธิษฐานจิตเสร็จแล้วขอท่านขอถวายแหมคาระวะครูบาอาจารย์ที่ท่าน ที่มีอายุพรรษาเหนือกว่ามากกว่าท่านจากท่านแดงก็กราบดวงตาหมาบัวในกราบสวยนะกราบโอ้กราบไม่รีบไม่ร้อนกราบครูบาอาจารย์ที่เราเห็นล้อู้ยซึงในใจนะพอ ก, กราบเสร็จแล้วท่านก็มีอะไรกรสนทนาปารลกันละทีนี้มาอย่างไงไปอย่างไรในพรรษาอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือก่อนเข้าพรรษาทุกปีจะไปคารวะครูบาอาจารย์ พอคณะจัตทายายโจมคง อ, อยากจะถามอยากจะรู้ว่าอย่างองค์หลวงตานี่ท่านจะไปเค า, ารพคารวะครูบาอาจารย์ไหมหลวงพ่อสมัยหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดท่านทำอย่างนี้แหละนะหลวงพ่อเองเป็นผู้จัดของคารวะถวายท่านจัดเป็นทุงๆแล้วก็เวลาท่านจะไปท่านก็จะบอกเออเราจะไปคารวะหลวงปู่ขาวนะ หลวงปู่ชอบถ้าเป็นไปได้สักสองสามวัดเราไม่ให้สองสาวัดหละเท่าเผื่อว่าสักสีหวัดไปเลยแต่เผื่อท่านพบครูบาอาจารย์มากาบคาวะกันน่ยท่านก็จะได้ถวายไปเลยให้จบจบไปเราก็คิดเผื่อถึงขนาดนั้นแหละอันนี้ก็คือองหลวงตาท่านก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเห็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาเหนือกว่าที่ท่านรักเคารพนับถือ ท่านก็กราบคารวะเป็นประเพณีพอมาถึงพวกเราพวกเราเนี่ยไปมาสะดวกอย่างวัดของหลวงพ่อบางทีก็ให้พระในวัดแต่สําหรับหลวงพ่อเองก็ไปกราบคารวะหลวงปู่ลีบ้างหลวงปู่บุญมีบ้างหลวงปู่จามบ้างหลวงตาบ้างแต่หลวงตานี่โดยมากหลวงพ่อไปก็จะไม่ได้พูดมหาเทเรเพราะท่านหลวงตา ต, ตามลําพังนี่ เราก็เอาของไปถวายท่านแต่ว่าอย่างลูงตาเนี่ยก็เราก็รวมกันทางนั่นแหละทางวันส2สองสิงหาบนช่วงเข้าพรรษาพอดีแล้วก็ทางเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิตวัดโพธิสมพรท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหามาคารวะพระเนรหลายจังหวัดในจังหวัดอุดรห น, นองคายน้องบัวลำพูสกลนคร ประกาศไปที่ไหนพระเนรกำลังไหลา บ, าบางปีก็เป็นทั้งสองสามพันเลมากราบคารวะองคหลวงตาถือดอกไม้ทูกเทียนไม้จิ้มฟันไม้สีฟันที่ท่านตุกสิตลูกหาที่ท่านทำมาเพื่อถวายครูบาอาจารย์เป็นประเพณีแล้วก็ป้าอาบน้ำฝนมาถึงแล้วก็เนี่ยนะท่านลงปู่ทมท่านก็มีอายุพรรษาเหนือกว่าหลวงตา แต่ท่านก็ให้ความเคารพในหลวงตาท่านก็ไปนั่งเป็นประธานพวกเราทั้งหลายก็ได้เวลาแล้วก็กราบขอโอกาสคารวะองหลวงตากับผมหลวงตาก็เออจากนั้นพวกเราก็ตั้งน้โมพร้อมกันจากนั้นก็กล่าวมหา้าเทเรปรมาเทนะทวารละตเยนะกะตังสัพพังอป拉ทรรางขามะทุโหนพันเตจากนั้นหลวงตาก็ให ศีลให้พรพอให้ศีลให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก่อแสดงธรรมเลย เ, เท ศ, เทศ โ, ทโปรดพระเนนลูกหลานอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อลูกหลานพระเนรทุกองคเน้อนี้จนจะเข้าพรรษาสิ่งไหนก็ตามอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้มีให้อยู่ในศีลให้อยู่ในวิตไทลงตาท่านก็เทศเลอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เห็น พอภพิษสงมามากๆอง์ต่างประเทศแบบเผ็ดร้อนนะสอนพร ะ, นะบางทีสอนเผ็ดร้อนพอสมควรจากนั้นก็สอนอบสอนพระเสร็จแล้วก็ถึกจสอนสัตยาญาติโยมจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างบุญสร้างกุศลทําบุญเนอรสร้างบุญสร้างกุศลไว้เนอพบหน้าชาติตายมีจริงตายแล้วมันไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วเราเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จน เราเกิดมาพบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นเนื้อนาบุญพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสงคุณงามความดีเอาไว้เกิดพบหน้าชาติหน้าถ้าว่าเราไม่พ้นทุกในชาตินี้เกิดพบหน้าชาติหน้าเขาเราจะได้มีความสุขได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธเจ้าในอนาคต เราก็จะได้บำเพ็ญกุศลบารมีต่อไปจนพ้นทุกในวัฏสงสารถึงพระนิพพานไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีก น, ะนี่แหละอ น, นุงตาท่านก็จะแดงทำให้โปรดพระสงฆ์และคารวาดญาติโยมหลวงปู่ธรรมวัทโทธิสมพรเป็นผู้พานำมากราบคารวะคือแปดค่ำนะพอเข้าพรรษา15บ้า่ำแรมแปดค่ำก็ใช่ละ หปีที่ผ่านมาแต่สวุวรรณดาลูกศิษย์หลวงตาสิแฟนลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพวกเรานัดวันที่12สิงหาให้พร้อมกันเนอวันที่12สิงหามากราบพลวะหลวงตาตอนบ่ายพร้อมกันเนอพร้อมกันกับมีการทอดผ้าป่า ด, ด้วยนะเพื่อหลวงตาได้นําจะตกปัจจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับท่านหลวงตาช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียน ช่วยสาธารณประโยชน์พวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายวัดไหนที่พอที่จะมีจตุปัจจัยก็มาพร้อมๆกันนะเนอเอามาทอดผ้าป่าเพื่อถวายองค์ลงตาอันนี้พวกเราก็ะไรมาพร้อมกันวันที่12สิงหาทุกปีจากนั้นมาถึงแล้วก็เราก็ทำพิธีฆราวะทานมห้าเทเรปรมาเทนะจากนั้นเราก็ถวายผ้าป่า สามัคคีแล้วก็ให้โลงตานําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสาธารณประโยชน์ช่วยวัดว า, าศาสนาที่หลวงตาเห็นว่าเหมาะสมสมควรอย่างไรขอให้หลวงตาใช้ตามอัธยาศัยอันนี้พวกเราก็ด้ทำทุกปีอ ย, อยู่ที่บันตาอันนี้คือเป็นประเพณีอันดีงาม สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตา Thompson. ด้วย น, ะนี่แหละเขาเราไปอยู่นสถานที่ใดวยยวุฒิคุณวุฒเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญถ้าเราไปอยู่ที่ไหนปราสาทีเสมอไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่ไปอยู่นสถานที่ใดออก้าวกายก้าวกายกันออหาความเคารพยาเกรงกันไม่ได้ นั่นแหละความผิบหายจะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มนั้นไม่นานแต่ถ้าาพวกเรารู้จักวั ย, ยวุฒิคุณวุฒิแล้วก็เคารพตามวัยนั้นนั่นแหละความเจริญออกเงยก็จะเกิดขึ้น อ, อย่างวันที่13ที่จะถึงนี่ก็พวกเราก็คงจะได้ไปทอดผ้าป่าเพื่อสร้างเจดีย์พิพธิธภัณฑ์ถวายปัจจัยหลวงปู่ลีเพื่อสร้างเจดีย์ผาแดงนะ ก่อนที่จะถวายผ้าป่าหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าพวกเราน่าจะทาําวัดคารวะหลวงปู่ลีซะก่อนเพราะจวนจะเข้าพรรษาเรากบราบคารวะหลวงปู่ซะก่อนผู้พวกเราได้ประมาทพลาดพังครูบาอาจารย์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ขอให้ครูบาอาจารย์โปรดอาโหสีให้ข้าพ เ, เจ้าทาั้งหลายด้วยข้าพ เ, เจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไปอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของ หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือใหเอ้เป็นเรื่องสูงเรื่องต่ำนะท่านไม่ให้ตีเสมอนะให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระสงฆ์ในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อยู่ด้วยกันบางทีบางครั้งก็ทําให้ไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสเป็น สอนเทศนาว่าดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ต้องแสดงความเคารพคาระวะซึ่งกันและกันมันจึงจะถูกนะพวกท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์แล้วได้บวชในศาสนาของตถาคตตถาคตพิจารณสอนให้พวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายออให้ออกจากโลกวัตฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดและพวกท่าน มาแสดงทิฐิมาณนะแข็งกระด้างต่อกันมันไม่น่าจะถูกพวกท่านทั้งหลายควรจะคารวะตามวัยวุฒิคุณวุฒิมันจึงจะถูกใครบวชก่อนถึงจะมีอายุพรรษาน้อยคนนั้นมีบวชก่อนก็แปลว่าคนนั้นเกิดในธรรมก็ควรจะแสดงความเคารพู้มีอายุมากแต่ว่าบวชทีหลังแปลว่าอายุทางธรรมเขาบวชก่อน มีอายุน้อยแต่พรรษาธรรมเขาสูงกว่าผู้มีอายุมากแต่พรรษาน้อยก็ควรจะกะราบคารวะผู้ที่เขาบวชแต่น้อยอายุยังน้อยมีพรรษาเพราะเขาศึกษาเว้นจากความชั่วก่อนเราเว้นจากความชั่วก่อนเราเขาไม่ทานอาหารเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เขาเป็นผู้มีศีลแต่อายอาุอย่างน้อยก่อนเราเราเน่ยกินเหล้าเมายาสัมเาเลเทเม า, าจนอายุแก่เรายังเข้าไปบวชเราจะเป็นใหญ่กว่าเขาไม่ได้เขาเป็นผู้แกท่ทางธรรมเราเป็นผู้แกท่ทางโลกโลกจะไปแก่กว่าธรรมได้ยังไงโลกก็ต้องเคารพธรรมนี่แหละมีอายุพรรษาน้อยแต่ว่าบวชก่อนมีอายุน้อยแต่บวชก่อนผู้มีอายุมากก็ต้องแสดงความเคารพต้องกราบ พระพุทธเจ้าสมัยนั้นพระก่อนรฤๅษีวกแข็งกระด้างเห็นว่าตัวเองอายุมากแล้วก็ไม่ก้มหัวลงกราบผู้มีอายุน้อยไม่ได้เพราะพรุทธเจ้าไม่ถูกต้องต้องกราบคารวะเพราะวันในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยพระติสสะเถระเป็นเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นญาติของพระพุทธเจ้าในกรุงก บ, บิลพัทออกบวช พอออกบวชเข้ามาแล้วท่านก็นั่งอยู่ท้าลายอย่างนี้ใครมาเข้าอคนมีอายุใช่ไหมใส่คองผ้านั่งพระมาก็กราบาก็ไม่ได้ถามท่านว่าท่านมีอายุพรรษาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถามพอเห็นท่านนั่งอยู่ที่อยู่ในที่นั่งของพระเถระเนี่ยพระเถระผู้มีอายุพรรษามาก็กราบท่าน พอกราบเถิแล้วท่าก็ถามท่านพระอาจารย์ครับท่านมีอายุพรรษาเท่าไรพระองค์นี้กับหมู่มาหมูมัมาผมเพิ่งบวชยังไม่ได้พรรษาพระน้อยพร ะ, น, พระนมทั้งหลายเขาก็อา้าวหลวงตาแก่องค์นี้ทำไมทิฏฐิมานะอย่างนี้ไม่รู้เหรอคนที่บวชก่อนจะให้มากราบพระที่มอเพิ่งมาบวชอย่างนี้เหรอ มันได้ศึกษาพินัยมั้ยเนี่ยท่านที่อยู่ในสำนักของพระพทุทธเจ้าทํำไมทําตนอย่างนี้พระน้อยเขาตวาดได้แต่เนี่ยตัวเองก็เป็นเชื้อพระวง์ฮะเป็นเชื้อพระวงศ์เพราะว่าเป็นศากยะเนีอยเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้ามาจากกรุงกบิลพัฒน์พอเขาดูถูกอย่างนั้นก็โมโหให้เขาเน่ยให้พระน้อยพระนุ่มเอาเถอะพวกเธอทั้งหลายต้อง ต้องโดนไล่หนีแจววัดแน่ๆละ่ะเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเรารู้ไหมว่าเราเป็นใครปวดจากได้อีต่างหากเพราะว่าท่านเป็นศากยะได้เป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้าถ้าการทูนพระพุทธเจ้าเมื่อไรพวกท่านทั้งหลายก็เดนไปหมดละความคิดของติดสะนะแต่นี่กับพระสงฆ์ทั้งหลายก็กล้ า, ก, ากลั ว, กล ว, กลวเก่งเกงเหมือนกันนะ่ยเพราะท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ยะ<อ>ไป พอพระอนี้เกิดไปพวกนี้เกิดตามไปเอกไปฟังนี่พระพุทธเจ้าจะว่าอย่างนีก็ไล่ก็ยอมไล่แล้ววะเลพระสงว่านะท่านบอกพระพองค์ถามว่าติสซาเธอร้องให้ทําไมพระติสซาคนนี้พระสงฆ์ที่ตามข้าพระ อ, องค์มานี่ตวาดข้าพระ อ, องค์เอา้าทําไมเขาจึงตวาดเพราะว่าข้าพระ อ, องค์ไปนั่งอยู่นั่นนะอบอกว่าท่านมีอายุพรรษายัางไงท่านของเขาคน ว่าให้ข่าพระองค์อย่างนี้อย่างนั้นเสียหายไม่เคารพในข่าพระองค์พระพพระองค์ก็บอกว่าอา้าวพระสงฆ์ว่างไงพระสงฆ์ก็บอกว่ า, าเนี่ยพระติสราเนี่ยเพิ่งบวชไม่ได้พรรษาแล้วก็ไปนั่งอยู่บนศาลาแล้วก็ให้พระมหาเถระที่มีอายุครรษามากกว่ากล่าวทาได้ยังไงพวกข้าพระองค์ก็เลยได้ดุดา่าได้ได้ว่ากล่าวไปบ้างว่ามันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกต้อง พระพุทธองค์เมื่อวานอืมใช่พวกพระเอาพูดถูกต้องแล้วนะติสสะเธอไม่ไม่ทวนจะทําอย่างนี้เธอทําได้ผิดนะควรไปคารวะเขานะป้าติสสะโอ้ไม่ยอมเออพระเหล่านั้นดาวข้าพองค์แท้ๆจะให้ข้าพยองไปยอมไปยอมสยบได้ยังไงทิฏฐิกษัตรไม่ใช่ธรรมดานะตีนี้พระพุทธองค์ก็ สอนบอกกล่าวยังไงก็ไม่ฟังปฏิสัตพ อ, อพระพุทธองค์บอกว่าเออภิกษุทั้งหลายปติสัสนี่เคยทําอย่างนี้มาก่อนแล้วเ อ, อเรื่องทิฏฐิมานะจุดนี้นพระสงค์เลยถามสมัยไหนพระเจาา้าการโอ้พวกท่านทั้งหลายอยากจะฟังเลยอยากจะฟังพระเจาา้าการพระองค์เลยเทศเป็นชาดกให้ฟังฮะสมัยหนึ่งออท่าน อ, อ พระพระเจ้าของเราเนี่ยไปเป็นลือศีเป็นลือศีอยู่ในป่าแล้วก็ติดสระนี่ก็เป็นลือศีเหมือนกันอยู่ในป่าแต่นี้พอจากนั้นมาก็ไปอยู่ในป่านานเข้าไปก็อยากจะกินเกลือใช่ไหมในป่าไม่มีเกลือจะกินเลยอยู่ในป่าลงพงไปลึกๆไม่มีเกลือจะกินคนขาดเกลือมากๆเลยมันก็ทําให้สุขภาพย่าแย่เหมือนกันนะขาดอาหารขาดของเค็มจากนั้นท่านก็ เดินเข้ามาหาหมูมนุษย์เข้ามาในเมืองเพื่อจะได้บินธบัติได้ฉันเกลือนี่แหละแต่ท่้นก็เดินมามาเขาบอกว่าแถบนี้มีที่ไหนบ้างที่พักเขาก็บอกว่าในบ้านในช่างหม้อใ น, ในช่างตีหม้อนะเขาตีหม้อเขาเป็นมีโรงมีโรงใหญ่เขาตีดินปั้นหม้อมีที่นั่นแหละที่ว่างอยู่โดยมากพวกฤษีศรีภยัย มาพักก่อนนี่นะไปพักบ้านช่างหม้อนี่แหละแต่นี้ก็ลือสีอที่เป็นที่บวชก่อนน่ยลือสีที่ที่บวชก่อนก็เลยไปก่อนอพอไปแล้วก็เออจะมาขอพักได้ไหมท่านช่างหม้อเออได้ครับแต่ผมไม่ได้อยู่นะผมจะกลับบ้านให้พระคุณพันท่านเลือกนอน ต, ตามสบายสบายก็ตรงไหนก็ได้ครับไม่มีใครนะให้ท่านเลือก ที่นอนเอาเลยครับใช่ได้พอต่อมาอีกลือีท่านหนึ่งมาอีกอมาอีกว่าในยอมอาตมาก็อยากจะมาพักที่บ้านนี่ยเราพักขอพักใดไม่เอาได้แต่ลือีท่านก่อนท่านนั่งท่านอยู่ก่อนแล้วนะใ ห, ให้ไปขอพักจากด้วยกันก็ได้ก็แล้วกันตกลงกันว่าพักที่ไหนอย่างไรแต่บ้านก็ล้างยายอย่หรอกให้พระกุลท่านเลือกเอาเลย พักที่ไหนทางฤาษีหนึ่งเออขอบใจโยมจากนั้นก็ามามาเขามาเห็นฤาษีองค์ก่อนมาก็เลยมาคุยสนทนากันพูดกันหลวงฤาษีองค์มาก่อนเออเดี๋ยวผมจะนอนอทางประตูนี่นะ้ท่านนอนข้างในทางฤาษีนี่เ ค, ครับผมอบทำไมเนี้ยก็ไม่มีไฟฉายด้วยใช่ไมไม่มีไม้ขีดไฟด้วยแอบ ต่างคนก็ต่างมืดมิดปิดตาอีกต่างหากหลับตาก็ลืมตามันมืดเท่ากันฮะมันอยู่ในในป่าฮะแต่เด้๋ยวท่านฤาษีที่มาอยู่ก่อนนะก็เรานอนอยู่ข้างในมันก็ร้อนวะ่ะเราควรจะมานอนขวางประตูฮ ะ, ะนอนเนื้อรับลมแต่มารับลมเย็นๆนะท่านฤาษีตรงหนุ่มแลก็ ท่านก็นอนอยู่ข้างใ น, นแต่นี่นพอดึกเข้ามามันปวดปัสสาวะเนี่ยปวดเบาฮชก็เดินออกมาพอเดินออกมาตอนหัวค่ำตื้อสีท่านขันศีสระไปทางโน้นนะเอ๋แต่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะมันมืดทัด้งกันโดยเดินเดิ น, เ ด, นเดินมามาก็มาเหยียบเหยียบเท้าลื้อสีลื้อสีที่ไปอยู่คนองค์ที่อยู่ก่อน องด้วยสีนี่ก็สะดุงเหมือนกันเอา้าทำไมมาหาเหยียบรองเท้าเหยียบเท้ากันเนี่ยโอ้ผมคิดว่าอาจารย์ไปนอนที่อื่นขอขอโทษขอโทษขออภัยขออภัยขอขอโทษมากๆครับผมไม่รู้ว่าอาจารย์ไปนอนที่อื่นท่า น, นอาจารย์มานอนที่นี่ครับผมมานอนที่นี่นะแต่พอเหยียบเท้าใช่ไหมก็เดินไปแต่นี้พอพอองนั้นไปปัดสะวะเสร็จแล้วแต่นี่อาจารย์นี่ยก็ มันมาเขา่าขึ้นมาข่านะครมันเหยียบเท้าเดี๋ยวมันจะมาออีกได้เนี่ยมันจะมาเหยียบเท้าเลยเอประหันหัวกับทางไหมบัดเอาเอาทางหัวมาทางเท้าบัดององค์นี้ก็เอ้เมื่อขาวที่แล้วนะเน่ะเราเหยียบเท้าออบัดนี้เราจะไปอีกทางหนึ่งอีกหนึ่งพอไปข้างใ น, นสองไปเหยียบคอ บ, บัดเนี้อโอ้ล้อขึ้นมาอีก พาลือศีโกหกพาดูศีแย่โอนี่มาทำมํำมาข่าวที่แล้วเหยียบเท้าบันี้เหยียบพอเราเองเพื่อนเอ๋ยเออเลยีโอ้ยขอโทษขออภัยอาจารย์ผมไม่มีเจตนาสักหน่อยที่ว่าท่านอาจารย์จะหันศีสะไปาาทางโน้นผมกลัมาทันี้กลับมาเหยียบคออาจารย์อีกเหยียบหัวอาจารย์อาายีกขอโทษขอโทษขอโท ษ, อโทษเอ้ยมันตั้งเจตนาแน่ๆ แ, แบบนี้ฟังแน่นี่ยังไงก็สองคนก็เถียงกันเลยเออก็เลยแช่งกันล่เลยเสียทีลือศี่นะ่ะ แช่งกันนะเอาเถอะท่านเจตนาเหยียบเอเท้าเราเหยียบคอเราอกกเกงทำไอพระอาทิตย์ขึ้นมาขอให้ศีชะของท่านแตกเป็นเจ็ดภาคาลือสีเอลือสีอผู้ที่เป็นอายุพรรษามากเนี่ยแช่งให้ลือสีหนุ่มแต่ลือสีหนุ่มเนี่ยท่านได้ฌานได้แต่เนี่ย รู้จักอดีตอนาคตรู้จักตําดินบินบนมีอภิญญาสมาบัติด้วยสิี่เหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหาทเนี้ลือสีนี่ทั้งอาจารย์นี่ยก็ดาดตั้งบนภูมิภูมิพำพำที่แรกกระดาบพุมภูมิำพำเหมกันนะพอเหยียบเหยียบนั้นกระทันแล้วเออพอนันกก็พอครั้งที่สองมันหนักกว่าเกา่าดายิ่งดาล้ายกว่าเก่าอีกสินี่เออพอใ น, นสุดลือสีเนี่ก็ ทังช่างแช่งด้วยจะเนยเอาเถ้าพาธิคืนมาให้สีสามแตกเป็นเจ็ดภาคมันทําชั่วถึงขนาดนี้พหรอไทางลือสีที่ท่านได้สานจะมาบาดือสีหนุ่มท่านก็นั่งกําหนดดูเอเที่ยลือสีอาจารย์สาบแช่งเมื่อกี้เนี่ยมันจะตกถึงใครนะท่านก็เล่งดึงอดีตอดีตอนาคตเลยจะนี้ยเล่งดูฌาน เพ่งดูชาญอดีตอนาคตพอเห็นโอ้ลือศีที่นี่แหละไม่ได้สมาบัติไม่มีไม่มีอะไรเลยนี่แหละพาอาทิตย์ขึ้นมาในศีรษะของลือศีเนี่ยผู้แช่งน่จะแตกแต่นี่ไม่ใช่ศีรษะของเราเนีเราไม่มีความผิดเนี่ยถึงเราจะเหยียบคอก็จริงอยู่แต่เราไม่เจตนาฮเอ้นี่แหละความความแช่งไว้นี่แหละความฉาบความแช่งไว้แล้ ว, ว, ว, วแะมันจะตกไปหาตัวเอง ทีนี้ก็ลือศีหนุ่มเลยก่อนนั่งภาวนาอยู่ข้างในตรวจตาดูเพราะท่านมีญาณทัศนะนี่ใช่ไหมแต่นั้นก็ลือศีเนี่ยจงภูมิความภูมิความเสียแล้วก็นอนเลยพอนอนลือศีที่หนุ่มเนี่ยที่มีญาณทัศนะเนี่ดูแล้วโอ้ไม่ได้ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นมาในศีสระลือศีจะแตกแน่นอนแตกเป็นเจ็ดภาคแน่นอนเราจะ เราจะช่วยยังไงเนาะตอนนี้ปลืสีท่านมีอิทธิฤทธิ์แน่ตอนนี้ปลื้สีหนุม่มก็เลยไม่แหงไม่แหงพระอาทนะิตย์ขึ้น่นะเออแผงไม่แหงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์กับเม็ดวันนะ่ะนะอา ย, ยุถึงเจ็ดนาฬิกาพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นแปดนาฬิกาพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นตายทําไมพระอาทิตย์ไม่ขึ้นวันนี้พวกสุก้ามีอะไรมันมีอะไรวิบัติไหม แต่ก่อนถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยโพโลโหิตตายจานก็ออกมาเลยวะ่ะเนี่ยมาวิเคราะห์วิจารณ์กันค่อยๆวัดดูลืกดูยามดูเรื่องงามยามดีเลยถ้าเป็นลักษณะนี้ลือสีทะเลาะกันนะว่าจะเนี่ยผู้มีฤทธิ์ทะเลาะกันอย่างนี้ล้างไม่ให้พระอาทิตย์เกิดไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นต้องมีใครเห็นหลือสีมาในถิ่นบ้านของเราบ้างประกาศเลยททางนายช่างหมอกบอกโอ้ยมีลือสีสองคนแล้วไปพักที่ที่บ้าน ของข้าพเจ้า อ, อบ้านข้าพเจ้าก็ให้พักด้วยกันสองคนถ้าเป็นลือศีนะแต่ถ้าไปถามาไปถามที่นัานแหละเ อ, อไปถามแล้วเช่นก็เลยให้คน อ, อตำรวจทาหารนะเป็นผู้มีอันนั้นต์เจ้าเมืองบอกออกไปถามพอไปถามลือีบอกใช่เราทะเลาะกันสาเหตุที่ทะเลาะคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เด้ทาง ลือสีหนุ่มเนี่ยก็บอกว่านี่แหละอือสีเนี่ยชาบแช่งอย่างนี้อย่างนี้แต่ข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้วนะความฉาบความแช่งของลือสีนั้นไม่จะตกถึงใครก็ตกถึงตัวเองผู้ฉาบแช่งเพราะว่าตัวเองทําไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นอาตมาเองกรุณาที่หัวอาจารย์จะแตกนะลือสีที่จะแตก เ, เพราะความโง่ของท่านทําอย่างนี้ เพราะนั้นข้าพรเจ้าจึงไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นน่ <Yeah. S 2> ถ้าขึ้นเมื่อไหร่ก็หัวแตกเมื่อนั้นแล้วนั่นเพราะความแช่สาบแช่งของท่า น, นเมื่อพระอาทิตย์คือมาให้สีสาบแตกก็นั่นไปข้าใครทําไม่ถูกแต่นี่คำเมื่อคำไม่ถูกคําที่มันตัวเองทําไม่ทูกทีเลยเออมันไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่เสด็จทีหรือสีหนุ่มทําไม่ทุกหรือสีตัวที่ไปนอนขวางไปควางมาเนี่ยทาไม่ทูกที ه, เพราะนั้นอาตมาจึงไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองนั่นก็คงจะเป็นเมืองไม่ใหญ่เล้เาก็มาถามโอ้ท่านจะทํำยังไงท่านจึงจะไม่ให้ศีรษะซื้อหีนี่แตกก็มีทางเดียวเท่านั้นและเอาดินเหนียวเอาดินเหนียวพอกหัวาลือศีแล้วก็ให้ลือศีไปอยู่ อ, อให้ลือศีมาคารวะสะตีเหลกนะ ให้ฤาษีอาจารย์มาคารวะอาตมาซะได้พูดไปแล้วโดยท่วงเกินไปแล้วข อ, ขอให้เอาโหสใหีให้ท่านฤาษี้เอาโหสีให้ข้าพระเจ้าด้วยอาตมาก็จะเอาโหสีให้พอมเป็นคำคำสาบแช่งเนี่ยคำสาบแช่งเนี่ยทางฤาษีผู้แก่นท่ทิฐิมันสูงได้ไม่ยอมจะให้ข้าจะจะยบกับ ตือสีสู้ชั่วได้ยังไงที่แรกก็เหยียบเนที่แรกเห ย, ย, ยียบสดาเนะี่ยต่อมาเหยียบคอใช่ที่แรกก็เหยียบยยให้กลาวเว้นไปไกลๆนะ่ยไปเหยียบสดาของตือศรีนะตือศีหันหัวมาทางนี้อีกมาแบบนี้เหยียบคอไปเออไปเนี่ยทางนี้เลยจะให้อาตมาจะให้ข้าพเจ้าเอาหวัวศีให้ได้ยังไงเสดธีนมแล้วมั้ เหลืเกินน่ยมันมาที่แรกก็เหยียบสดาทั้งที่สองเหยียบคออีกจะให้ข้าวพเจ้าโอาหสีให้ได้ยังไงะโมโหเนี่ยทางตือสีหนุโมไม่ใช้ผมไม่ได้เจตนาแต่ท่านอาจารย์นอนที่แรกหันไปทางหนึ่งขผมคิดว่าจะเว้นมาทางหนึ่งไม่ท่านอาจารย์ก็หันหัวมาทางหนึ่งอีกเนี่ยผลที่สูก็เลยลือสีสองคนไม่ลงดอยกั น, นไม่ยอมทํายังไงก็ไม่ยอมเลยพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นเลย พระเจ้าเป็นเนโอ้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไปจับจะแล้วจะทํำยังไงวิธีการที่จะไม่ให้สีสาแตกเอานี่ยจับลือสีเนี่ยพอมพากันจับลือสีจับลือสีที่ที่ทสาแช่งลงไปในสระน้ำเพราะเพราะว่าเอเอเอเอที่ที่ปั้ น, มมนหม้อเขาก็ต้องมีสระน้ําึงมันเขากดดิ้งขึ้นมาแล้วก็จะได้กับ ให้ลือสีตัวนี้แหละลงไปในสระนั้นแหละให้เพียงคอเนี่ยแล้วก็เอาดินเหนียวเนี่ยดินเหนียวที่ปั้นหมอนโปะบนศีสระลือสีเน่ยแล้วก็ข้าวเป็เจ้าจะคลายฤทธิ์พอคลายฤทธิ์พาทธิ์โผล่ขึ้นมาจับลือสีมุด น, นะน้ําเลยเท่านั้นเออนี่แหละแล้วก็ดินเหนียวก็จะแตกกระจายเลยหัวลือสีจะไม่แตกในรายวิธีแก้แคทว่างไง ทางพระราชาโอ้ยไม่ได้ไปจับทหารเขาก็เลยจับลือศีคนนั้นไปพอจับเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ปั้นดินเหนียวใชนะ่พอกหัวไวเท่านี้พอกหัวไว้เสร็จแล้วก็ อ, อพอเสร็จแล้วก็ลือศีหนุ่มเด็ยก็คลายฤติเลยตอนนะี้พอคลายฤติพาฤติตโผล่ขึ้นมาด้ยเพราะพาฤติมันจะจะขึ้นมาพแลงเลยเนะีพราะใกดไวใช่ไหมเอาติดอิดทธิฤตกดไว้พอโผล่ขึ้นมาเท่านั้นเอง ตัวเองก็กลักวหัวแตกเหมือนกันนะเออไม่ใช่ไม่กลัวเงี้นแต่เออไม่ทหารไม่ต้องกดใบบาลายยากตอน ง, งั้นแต่จะมุดอยู่แล้วเงั้นแต่เออทอนี้ก็พอพระทิดาโพเข้นมาเขาก็จับกดตัวเองกับมุดอีกทนะ่ดินเหนียวก็แตกพากเลยว่างั้นแ่เพรามันอิทธิฤทธิ์เนยมันนั่นเนี้พอแตกพากไปตอนนี้ก็ตื่สีก็เลยขึ้นมาเออไม่ก็ไม่เป็นไรแต่นี้ยเพราะว่าแก่เค็ดเลย มันดินเหนียวแตกไไม่ใช่หัวแตกใช่ไหมแต่ดินเหนียวมันอยู่ในหัวของลือีเออจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็โอตายตายตายลือศีชีภัยทะเลาะกันไม่เป็นผลดีเอ่อจากนั้นเขาเคาลบนับถือเรื่อมใส่ในชีวิตนั่นแหะนี่แหละติดสาองค์นี้แหละมันหัวดื้อเออสมัยนั้นแหะเป็นลือศรีเออสมัยนั้นเราก็เป็นลือีหนุ่มบอกยังไงก็ไม่ฟังข่าวนี่มาเป็น เป็นพระก็ยังหัวดืือไม่ยอมฟังใครอีกนะ่ยโอพุตตเจ้าท่านตรัสนะคนเคยหัวดือือมันหัวดืือและไม่ยอมฟังใครเนะี่ทีนี้ท่านก็บอกว่าการเคารพกันนะ่ะเอ่อขณะเราเป็นสัตว์ร้ฉานยังเคารพกันแต่พวกเธอทั้งหลายมาบวชในศาสนาตถาคตเป็นภิกษุเป็นผู้ชำรักิเลสแท้ๆยังไม่ยังหาความเคารพยำเกรงกันไม่ได้เ่มันไม่ถูกต้อง มันต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำที่ควรไม่ควรพระพุทธเจ้าอะสมัยไหนพระเจ้าข่าที่ขนาดเป็นสัตว์ทิ่รชาญยังเคารพ ก, กันพระพธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราไปเกิดเป็นสัตว์ทิรชาญอยู่ในป่ามีนกกระทาและก็มีช้างและก็มีลิงมีช้างและก็มีลิงสสหายแต่ น, นก ทั้นกกระทาทั้งช้างทั้งลิงเนี่ยไปที่ไหนก็เห็นกันอยู่เรื่อยกันเลยนกกระทาก็เลยบอกเอ้ยพวกเราอยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่มีสัตว์ไหนที่เรารู้จักมักคุ้นไปบางทีนกกระทาก็ขึ้นง่อยหลังช้างบ้างบางทีลิงก็ไปเล่นกับช้างบ้างให้เข้ามาเป็นเพื่อนกันเนี่คงจะมีอดีตชาตาิมีอดีตชาติเคยรู้จักกันเห็นกันแล้วก็เมตตาต่อกันในลณะนั้น ก็เลยถามกันว่าพวกเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้องแสดงความเคารพกันนะใครเกิดก่อนกันผู้นั้นก็ต้องเป็นอาวุโสต้องมีผู้เป็นผู้อายุพวกน้อยกว่าก็ต้องแสดงความเคารพตามขั้นตอนในพวกเราสามสัดว์สามสหายนีย่ใครเกิดก่อนกันว่าก็ไปสนทนากับต้นไทรเฮ้ยต้นไทรมันเกิดเนี่ยต้นสูงพอสมควรท่วมหลังช้างนเหล่านั้น นกกรทาก็บอกว่าข้าอาแม่ของข้าพามาหากินแถบแถบนี้แถบนี้ไม่มีนะ ต, นต้นไทรต้นนี้ต้นไทรตัวนี้ไม่มีเอแต่แม่ของข้าเนี่ยพาไปกินต้นไทรต้นนู่นเม็ดไทรพอจากนั้นมาเนี่ยข้าก็มากินแล้วมาถ่ายลงนี่แหละแถบนี้แหละเอแต่มันก็เกิดเม็ดไทรขึ้นมาพันนั่นแหละพันต้นนั้นนะ เ, เป็นต้นไทรขึ้นมา ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเนี่ยตน้นไทรตัวนี้คงเป็นมูลหรือเป็นอุจระของข้าพเจ้าที่ไปกินตน้นไทรจากต้นนั้นมาจึงได้เกิดตน้ตนไทรตัวนี้ขึ้นนกกทาบอกทั้งลิงก็บอกว่ามสมัยผมมากับแม่นะมาหากินแถบๆนี่ผมได้ชงแงคอลใกล้ว่าวนั่งอยู่บนดินฉันแงคอกัดกินยอดไทรต้นนี้ แสดงว่าผมเป็นน้องของนกกรนะทาทางช้างบอกว่าอื้ใช่ผมมาหากินกับแม่แถบแถบนั้นนะ่ะเวลาผมเดินมาเนี่ยมันมันละท้องผมพอดีพดีผมเป็นช้างน้อยนะ่ะแสดงว่าผมเนี่เกิดเป็เป็นน้องน้องพวกท่านทั้งสองนกกระทาเนี่เป็นพี่ลิงเนี่เป็นคนที่สองช้างนี่เป็นคนที่สามตัวที่สามนะ พวกเราควรจะเคารพกันอ้าวเมื่อรู้แล้วว่าพวกนกกระทาในเกิดก่อนลิงในเกิดที่สองช้างเป็นตัวที่สามเกิดที่สามเพราะมันละท้องช้างเนี่ยกิสูงพอสมควรอยู่แต่ว่าลิงเนี่ยนั่งกระดินสังแงคอสงแงปากขึ้นไปไประกัดกินยอดไสรนี่ต้นเนี้ยต้เนียก็เลยอ้าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราต้องเคารพฮันเตอาวุโสนะ เคารพกันชึ่งกันอะกันดังนั้นมากันทั้งช้างทั้งลิงทั้งช้างก็ให้ความเคารพนกกระทาแสดงว่าไปที่ไหนกับพี่ครับลักษณะอย่างนั้นแสดงความเคารพช้างก็เคารพลิงลิงก็เคารพเคารพนกกทาเคารพซึ่งกันอะกันอยู่ด้วยกันสมสหายนี่แหละอันนี้พระพุทธองค์บอกว่าตรัสว่านี่แหละขนาดเราเป็นสัตติรชานเรายัง ไล่ซักไซไล่เลียงกันรู้จักผู้เกิดก่อนเคารพกันตามอาวุโสพันเตแต่พวกเธอท่านทั้งหลายมาบวชในาศาสนาของตถาคตที่ตถาคตสอนให้รู้จักชำระกิเลสราคะโทสะโมหะและพวกท่านทั้งหลายยังไม่เคารพกันมันยิ่งกว่าสัตติธัชานสามตัวนัอีกนะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลาย นิทานเรื่องนี้จะสอนให้รู้ว่าให้เคารพให้รู้จักสถานะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะผู้เกิดก่อนอไม่ใช่ว่าไม่แสดงความเคารพนั้นไม่ถูกต้องนกกรทาในข่าวนั้นคือเราตถาคตลิงคือภาษาลิบุตรช้างคือพรโมกขลาเนี่ยแหละ โดยมาพราะพระเจ้าท่านไปเกิดได้พบใดภูมิใดโดยมากจะไปเกิดด้วยกันพอเกิดด้วยกันกัเห็นกันแล้วก็รักกันเมตตากันพูดกันรู้เรื่องอ่ะพวกง่ายๆแต่พบใดชาติใดไปเจอกับเทวทัตเท่านั้นแหละจะเนี้ยเป็นอริเป็นศัตรูกันเลยแหละจะนี่เออมันแปลกเหมือนกันนะเรื่องบุญบา ร, รมีเ อ, อ่อบุญหนักสักใหญ่และบุญบา ร, รมีของแต่ละคนมันต่างกันนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย หลวงพ่อเคยสังเกตถ้าพอไปเห็นการเห็นกันแล้วโอ้แสดงความเคารพนับถือเรื่อมใสยิ้มแย้มแจ่มใสเอแต่บางคนไปเห็นเห็นกันแล้คึงเหมือนกับปลากัดทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเอ๊มันทําไม่วะมันทําไม่วะเออมันคงชาติมันคงชาติก่องเคคงเคยประลองกันพอแรงเนาะงั้นเถอะมาพบนิชาตินี้ก็เลยเห็นกันมันก็เลย คึ่งใส่เหมือนกับปลากัดเหมือนกันเถะไคนนั้นพวกพวกเราท่านทั้งหลายนะถึงยังไงก็ให้มีเมตตาไว้ในจิตในใจคนที่มีเมตตานะ่ะอยู่ณสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไอ้ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีเวรต่อกันแน่นแหละทุกคนเกิดมาใช้กรรมของใครของเรากรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไไม่ว่าพบนชาตินี้ไม่ว่าในยุคนั้นสมัยนี้ ยุคนั้นจำไหมนี้ยุคนั้นก็เหมือนกันมีมากมายอภพในทั้งหลายแหล่พวกเราสังเกตสุสิถ้าพระไปทําผิดนไปไปฟ้องพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยเป็นนักร้องระจญควรนะนักร้องเรียนเหมือนกันเลอไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาอามาก็สอนบอกกล่าวอย่างภาษาริบุตรเป็นลูกศิษย์มีทุกศิษย์ตั้งห้าร้อพอไปที่ไหน วันนี้หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกวันที่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกอีกวันหนึ่งไปหันไปทางทิศเหนือเออหันไปคนอาทิตย์ละทางเลยลูกศิษย์เอ๊ะอาจารย์ของเราเนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแหลาลักษณะเลยเออบางทีหันหัวไปทางบันไดก็มีทําไมวะก็ไม่กล้าถามเลยแต่ตามไม่จริงถ้าเป็นหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะถามนะแต่ในลูกศิษย์สมัยภาษาญี่ปุ่นเขไม่กลัวกลัวกลัวอาจารย์มากถึงขนาดนั้นไม่กล้าถาม แต่ไปฟ้องพระพุทธเจ้าวบวะเนี่ยย้อนหลวงพ่อว่าพระสมัยก่อนเป็นนักร้องนะร้องเรียนเยอะเป็นกราบพระพุทธเจา้าวะท่านอาจารย์ของข้าพระองค์เนี่ยท่านชาลีบุตรเนี่ยแปลกแปลกแล้วสงสัยเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมีความเห็นผิดอยู่ในจิตใจลึกๆอย่างไงก็ไม่รู้ล่ะ เ, เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดใช่ไหอาบางทีก็นอนฉันศีรษะไปทางหนึ่งบางทีวันหนึ่งก็หันศีรษะไปทางหนึ่ง พวกข้าพระองค์ไม่กล้าถามทําไมท่านถึงทําอย่างนั้นอะพระพุทธองค์บอกว่าไปบอกสารีบูตรมาทําไมภาษารียบบูตรเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพอมาเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามสารีบูตร เ, เธอลูกศิษย์ของเธอเนี่ยได้มาบอกม า, อาบอกข้าไปมาบอกเราตถาคตว่าอ า, อาจารย์ของ เขานะ่ยคือท่านสารีบุตรเนี่ยแต่นอนแต่ละคืนเนี่ยหันทิศไปได้ไม่ไปทางเก่าทั้งที่จะหันไปทางที่หัวนอนหันไปทางบันไดฮะทำไมสารีบุตรชี้แจงให้ฟังซิพระสารีบุตร บ, บอกว่าข้าพระ อ, องค์ได้รับธรรมะจากท่านอัจฉชิคือ พระปัจจวัคคีทั้ง5น่ยโกนธัญญะวะ ป, ปะพัทธิยะมหานามะอัจฉริยะเน่ยข้าพระองค์ได้รับธรรมะจากท่านอัจฉริยะในเทศให้ข้าพระองค์ฟังข้าพระองค์ได้สําเร็จพระโสดาบันเป็นกุญแจดอกแรกที่ข้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันจากนั้นก็ได้มาบวชแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้จาจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต เพราะฉนั้นถ้าว่าข้าพระองค์ไม่ได้ฟังทำจากท่านอาจิชิข้าพระองค์ก็คงจะเป็นคนป่าเถื่อนอไม่รู้จักธรรมะที่ข้าพระองค์ได้รู้ธรรมะก็เพราะท่านอัจิชิเป็น ค, คนบอกกล่าวาะนั้นข้าพระองค์จริงท่านอาจิชิอยู่ในละแวกนั้นเพราะข้าเมื่อข้าพระองค์ไปทุจรงและไปประกาศธรรมหรือไปแนะนําสั่งสอนประเทศสนาอยู่ในละแวกใด ท่านอาจจชิอยู่ทางทิศตะวันออกข่าพระองค์ก็หันศีรษะและกล่าไปทางทิศตะวันออกและก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกแต่วันนี้ท้าวพท่านอาจจชิไปทางทิศเหนือข่าพระองค์ก็หันศีรษะไปทางทิศเหนือกล่าไปทางทิศเหนือและก็นอนหันศีรษะไปทางทิศเหนือท่านอาจจะชิ้ไปอยู่นักสถานที่ใดในละแวกที่ข่าพระองค์ไปพัก ปฏิบัติธรรมหรือว่าไปอบรมแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนข้าพระองค์จะหันศีรษะไปทางนั้นพระเจาา้าค่ะด้วยความเคารพศักกิ์สเพราะท่านอาจิชิเป็นผู้ให้ทำกับข้าพระองค์พระองค์บอกเออนี่ดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายสารีบุตรนี่ยได้ทำจากใครจะไม่ลืมไม่หลงผู้ที่ให้ธรรมะกับตนเอง เ, ออเป็นผู้มีปัญญา ไม่ลืมไม่ลืมบุญคุณสําหรับผู้ที่มีพระคุณนี่เป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ทั้งหลายให้ถือเป็นตัวอย่างนั่นสารีบุตรไม่ลืมบุญคุณผู้มีอุปกร ะ, ระคุณนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่มาในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะนะคณะทายาทโยมถ้าเอามาเป็นตัวอย่าง ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาและก็ล้วนแล้วจะเป็นคุณูปการมีประโยชน์สําหรับพวกเราเป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราเราไปอยู่ณสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดพบพระสมาคมกับผู้ใด เ, เราก็รู้จักสถานะของท่านของเราระวังตัวถูกวัยวุชคุณทนะวชจากนั้นก็มีแต่ความสงบลมเย็นผาสุข ถ้าว่าไปที่ไหนประสาตีเสมอไปเลยไม่รู้จักสูงไม่รู้จักจำไม่รู้จักคูบาอาจารย์ไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ไปที่ไหนก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดจะดา่าใครก็ด่าจะทำอะไรก็ทำฮอันนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านให้รู้จักสูงรู้จักําสิ่งควรไม่ควรน ะ, ะต่อนนี้ไปเปิด MP3 ที่หลวงพ่อคัดให้ ไปอัดให้ฟังนะุระอาจที่ไปนั่งสมาธินาะตินีเนอร์คณะสัทยา ญ, ญาติยมลูกหลาน ห, หาได้ยากที่พวกเราจะมานั่งภาวนาวมานั่งปฏิบัติธรรมเอาเปิด MG3 ให้ฟังนุ้ยเินั่งกัดสมาธิเลยนะ